บางคนไม่โลภของใครไม่พยาบาทใครแต่ว่ามาตกเข้าอันที่สามนี่คือมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบนะมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบซึ่งภาษาพระใช้คำว่ามิจฉาทิฐนะิมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบ หรืออย่างที่อาตมาใช้มาตั้งแต่ทีแรกว่าวินิจฉัยมันเสียนั่นแหละความคิดเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยแล้วทีนี้เรื่องที่น่าตะหนกตกใจที่สุดเลยคือไอ้คนเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคิดผิดได้ได้อนกันคิดเลขผิด คิดเลขผิดหรือทํางานบางสิ่งบางอย่างมันผิดอันดับผิดเวลาของมันอันนี้ยังไม่น่ากลัวแต่ว่ามีไอ้ความคิดผิดๆที่น่ากลัวอยู่ซึ่งทางพระเรียกว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยคือความคิดในเรื่องศีลธรรมนะมีความคิดทางลึเรื่องศีลธรรมเนี่ยผิดๆไปซึ่งเราเรียกว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยแล้วเรื่องที่ศีลธรรมที่ว่าผิดๆไปเนี่ย เป็นความผิดขั้นรุนแรงเลยเชียวซึ่งมันจะทําให้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้ามีความคิดเห็นทางด้านศีลธรรมชนิดนี้ผิดแล้วแล้วก็ต่อไปข้างหน้าความคิดเห็นทางด้านศีลธรรมอื่นๆจะพลอยผิดตลอดไปหมดด้วยเลยนะ่ะไอ้ความคิดทางด้านศีลธรรมที่ผิดๆไปเนี่ยมีอยู่แปดเรื่องด้วยกันซึ่งถ้าใครเป็นอย่างนี้แล้วให้รีบแก้ไขทีเดียวเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลย คือมีความคิดเห็นผิดไปว่าหรือปฏิเสธไปเลยว่าการทำทานเนี่ยไม่ดีการทำทานนี่ไม่ดีไม่ควรทำนี่ปฏิเสธการทาทานลงไปอย่างนี้นะพอมีความคิดผิดไปอย่างนี้เสร็แล้วแล้วก็นี่อนาคตนี่แทบจะดับวูบไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะที่จริงแล้วนี่ ตั้งแต่เ ล, เล็กจนโตมาเนี่ยเราโตมาได้ด้วยทานนะเมื่อวันที่เราคลอดออกจากคันมานดาของเราถ้าคุณแม่ไม่ไม่ป้อนนมให้เราไม่ให้นมเป็นทานตายได้ในวันนั้นนะหรือทยาบาลแพทย์ที่ทําคลอดเราแหมไม่มีเมตตาธรรม ปล่อยเราทิ้งทิ้งค่งองค ง, งตายช่างแ ต, แต่วันคลอดแล้วหรือโตขึ้นมาพี่ป้าน้าอาไม่ช่วยกันดูแลป่า น, นี้รถทับตายตกน้ำตายโอ้ยตายกันไปเป็นนานละได้คนโน้นนิดคนนี้หน่อยประคับประคองโดยเอ า, เอ า, เอาข้าวปลาอาหารเป็นทานมั่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้เป็นทานมั่งเอาความรู้ให้แก่เราเป็นทานมั่งแม้ที่สุด ให้อภัยทานเราเมื่อเราทำความผิดทำให้เราโตขึ้นมาได้จนจนทุกวันเนี้ยหรือแต่งงานมาแล้วเออมีสามีมีภรรยาแล้วต้องทำทานไหมทำสามีหาได้ไม่ปันให้ภรรยาใช้ภรรยาหาได้ไม่เคยปันให้สามีใช้ไม่เกินเจ็ดวันหลักดาวสี่โครงเด็ดข้างฝากันมังแหละอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีทานมัง้งไม่งั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้ที่ศุดสาลาที่เรานั่งฟังเทศอยู่นี่เขาทำทานมันนะ และอัตมาเองที่นั่งเทศอยู่นี่เออก็จะให้ความรู้เป็นทานีเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครปฏิเสธว่าทานไม่ดีไม่ควรทำคนคนนั้นหมดคนไปซะแล้วนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอันที่สองที่จะต้องระวังอีกต่อไปอีกคือมีความเห็นผิดนะคนทานนี่มีความเห็นผิดไปเลยว่าอันที่สองการบูชาบุคคลที่บุควลบูชานี่เอไม่จําเป็น ประการที่สามมีความเห็นผิดต่อไปกว่าการต้อนรับการต้อนรับการปฏิสันถานนะการเชื้อเชิญบุคคลที่ดีๆมาบ้านของเราไม่จำเป็นอันนี้พลาดแล้วเพราะเมื่อกี้เราพูดแล้วไงว่าวินิจฉัยของเราเนี่ยมันมันได้มาจากไหนได้มาจากคนข้างเคียงหรือคนที่เราครบแล้วก็ได้มาจากการตรองของตัวเองเราปฏิเสธ การต้อนรับแขกการที่คนมาถึงบ้านเราแล้วปฏิเสธการต้อนรับซะแล้วถ้าปฏิเสธงั้นแล้วเราเร า, เราจะทํำยังไงล่ะคนดีๆมาถึงบ้านเราก็ปฏิเสธผลสุดท้ายความเห็นของเราที่มันผิดอยู่มันก็เลยผิดตลอดนนัะเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธการต้อนรับแขกเป็นอันขาดแต่แน่นอนให้รู้จักเลือกรับแขกที่ดีๆก็แล้วกันอันที่สี่ปฏิเสธต่อไปอีกว่ากรรม ที่ทำแล้วไม่มีผลพูดง่ายๆปฏิเสธต่อการยอมรับรู้ว่าเออการที่คนเราทำความดีต้องได้ดีจริงนะทำชั่วต้องได้ชั่วจริงนะปฏิเสธซะแล้วปฏิเสธอย่างนี้คนคนนั้นคนพานซะแล้วเพราะว่าชาตินี้จะทำอะไรก็ตามอำเภอใจประการที่หาปฏิเสธซะแล้วว่าโลกนี้โลกหน้าน่ะไม่มีหรอก โลกนี้โลกหน้าไม่มีพูดง่ายๆเออตายแล้วมันก็ศูนย์นะมันไม่เกิดอีกแล้วแหละคนประเภทนี้มีอยู่ในโลกพอใครไปปฏิเสธซะอย่างงี้มันจะทำให้เขาสาวไม่เจอว่าเ อ, อ๊ะแล้วทำไมเนี่ยความประพฤติเราเป็นอย่างนี้หรือทำไมเนี่ยคนเราพอเกิดมามันจึงไม่เหมือนกันถ้าแต่ละคนเพิ่งเคยเกิดเป็นชาติแรกแล้วครับมันน่าจะเหมือนกันทุกคน แต่ว่าพอเกิดมาแล้วแม้แต่พี่น้องคลานตามกันมามันยังไม่เหมือนกันเลยอะไรอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าปฏิเสธเรื่องชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติที่แล้วหรือโลกนี้โลกหน้าโลกที่แล้วแล้วก็ปฏิเสธซะอย่างนี้เราจะหาคำตอบไม่ได้เราตัดทางตัวเองไปอย่าเพิ่งไปตัดสำหรับพวกเราที่นั่งอยู่นี่ใครบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ก็ไม่เชื่อชาต ชาติหน้าก็ไม่เชื่อชาติทีแล้วก็ไม่เชื่อขอให้สละความคิดเห็นผิดอันนี้ทิ้งเสียอย่าเพิ่งไม่เชื่อเลยอย่างมากก็เพียงแต่ว่าเอาละอย่าไปปฏิเสธมันขอรับฟังไปก่อนแล้วจะไปหาข้อมูลต่อไปถ้าอย่างนี้ยังพอเอาตัวรอดถ้าปฏิเสธโครมลงไปเลยเอาตัวไม่รอดซะแล้วเพราะชาตินี้จะหาเหตุหาผลในสิ่งต่างๆหาไม่เจอประการที่หก ปฏิเสธต่อไปอีกคนผ่านเพราะวินิจฉัยมันเสียปฏิเสธไปเลยว่าพ่อแม่ไม่มีคุณ ม, มันมันปฏิเสธได้เต็มปากเต็มคําเลยพ่อแม่ไม่เห็นมีคุณเลยมันถ้าอีกมีคุณกับพ่อแม่ทำไมว่างั้นก็คิดง่ายๆนี่ถ้าพ่อแม่ไม่มีมันเนี่ยป่านนี้เหงาตายไปแล้วมันก็ ว, ว่าของมันไปนี่เพราะมีมันนะนี่นะ ได้มันเป็นเพื่อนเล่นนะเป็นเพื่อนให้ให้ใหใหอุ้มมาให้ป้อนน้ำป้อนข้าวมาแต่เล็กเนี่ยเลยหายเหงาไม่งั้นเหงาตายไปแล้วน่าจะมาขอบคุณมันคนพวกนี้มีอยู่ในโลกปล่อยให้มันตายหละตัวพวกนี้นะก็มาถึงอันที่อันที่เจ็ดคือปฏิเสธว่า สัตว์โลกที่เกิดในโอปปาติกะไม่มีจริงาการเกิดของสัตว์โลกเนี่ยอย่างพวกเรานี่ก็เกิดโดยชนิดมีกเกิดในคันคือมีพ่อมีแม่แต่ว่ามีสัตว์โลกอยู่อีกประเภทหนึ่งเกิดโดยโอปปาติกะคือพอเกิดปุ๊บโตปั๊บเลยไม่ต้องมาป้อนข้าวป้อนน้าป้อนนมกันอีกแล้เกิดปุ๊บโตปับ๊บอันนี้ได้แก่สัตว์อยู่สองประเภทด้วยกันพวกไหน คือพวกสัตว์นรกนี่พวกหนึ่งพวกตกนรกไปปั๊บเอ๊ลอะละยมพบาลต้องป้อนนมไหมไม่ป้อนป้อนตะโพธิน่ะแน่ไม่ป้อนเทวะดาเออยมพบาลไม่ป้อนนมมีแต่ตะโพธิ์มาป้อนให้นะคือพอโตแล้วเนี่ยพอพ อ, พอพอตายปุ๊บพอละโลก ล, ละตายปุ๊บพวกทําความชั่วลงนรกไปเองใครเป็นตัวนําให้เข้าลงไปเข้าไปเอง เพราะใจเขามันรักอย่างนั้นตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์พอไปตกนรกปั๊บก็ไปเป็นสัตว์นรกเลยไม่ต้องค่อยๆโตโตทันทีหรือถ้าทำความดีไว้มากพอละโลกไปปั๊บไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็โตทันทีเพราะฉะนั้นเ้ยเทวดาต้องมาป้อนนมไหมนายตองอันนี้ไปด้วยกำลังบุญก็ หลายคนสงสัยก็อยาขอตอบเชวันนี้เลยคือสงสัยว่างี้หลวงพ่ อ, อได้รับคำถามอยู่เรื่อยๆหลวงพ่อเวลาคนเราตายเนี่ยเวลาไปนรกนี่เพราะยมพบาลมาลากไปใช่ไหมหรือที่ไปสวรรค์ น, นี่เพราะพระอินทร์มาอุ้มเอาไปใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมันไปด้วยตัวของมันเองเหมือนอะไรเหมือนอย่างนี้สมมติเรามีเราเรามีขวดเปล่ามาใบาเนย นะจับมแมลงวันใส่ไปตวงจับพึ่งใส่มาตวงไปในขวดเดียวกันพอเราเปิดฝาจุกเปิดฝาขวดออกทั้งมแมลงวันทั้งพึ่งแล้วมันก็บินออกพร้อมๆกันไปนั่นแหะที่แรกก็บินตีคู่กันไปเชียวบินเก่งทั้งคู่เนี่ยบินตีคู่กันไปเชียวพึ่งพอบินไปได้เดียวโน่นแวบขึ้นยอดไม้ไปแล้วไปหาดอกไม้หอมๆดม จะจำปีจำปากระดังอามารีวันอะไรเขามันก็เลือกดมข้องมันไปแต่ไอเจ้าแมลงวันไม่งั้นที่แรกก็ตีคู่คุยกับพึ่งจ่อยจ่อยจอยเดี๋ยวเดียวจะาพึ่งมาชมมาชมดอกไม้เพลินไอเจ้าแมลงวันก็ไปเลือกที่ชมข้องมันมบ้างหลบแผลไปไหนไม่กองขยะข้อหลังสว้วมน้าหน้าเออมันไปข้องมันอย่างนั้นแหละ ถามว่าอะไรบังคับให้มแมลงวันไปที่กองขยะไปที่หลังซ่วมอะไรบังคับให้พึ่งไปที่ดอกไม้ไปหาน้ำหวานหาข อ, ของหอมๆดมบอกว่าความเสพคุ้นของมันความเสพคุ้นของมันบังคับให้มันตยอย่างนั้นคนก็เหมือนกันคนชั่วเสพคุ้นต่อความชั่วความบาป ถึงเวลาความชั่วก็ดึงมันเรไปลงนรกขมันไปคนดีสร้างบุญมาเยอะทั้งวันทั้งคืนตรึกตรองถึงความดีอยู่เรื่อยพอถึงเวลาละโลกความดีมันก็ดึงเอาไปไปเป็นเทวดาใชอย่างนั้นแหละความเสพคุณของตัวเราเองมันดึงเราไปอย่างนั้นเหมือนอย่างความเสพคุนของพึ่งดึงพึ่งไปดมดอกไม้ ความเสพปุ่นของมแมลงวันดึงมแมลงวันลงไปที่กองขยะลงไปที่หลังส่วม น, นั่นไปอย่างนี้ที่นี้อันที่8ปดคนพาลปฏิเสธเลยว่าสมณะชีพรามเนี่ยที่ที่สามารถทำกิเลสให้หมดไปได้เนะี่ยไม่มีมีที่ไหนกิเลสหนาๆาทางนั้นเหมือนใครก็เหมือนมันนะสิคือมันเองนะ่กิเลสท่วมหัวแล้ว มันเลยไม่เชื่อว่าคนอื่นเนี่ยจะดีได้พูดง่ายๆมันปฏิเสธเลยพระพุทธเจ้าไม่มีจริงโกหกมาหลอกกัน ม, มันว่าไปอย่างนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ซะแล้วคนพานก็เลยเอาดีไม่ได้นี่ที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคือตั้งแต่คิดละโมบโลภมากสองคิดพยาบาท สามคิดเห็นผิดเป็นชอบแล้วเห็นผิดเป็นชอบที่สำคัญก็คือแปดเรื่องแปดประการที่กล่าวมานี้ซึ่งถ้าใครขณะนี้นั่งอยู่บนศาลานี่ความคิดเห็นได้วิปริตไปครบแล้วทั้งแปดประการแล้วครับเออชาตินี้หลวงพ่อช่วยไม่ได้แล้วนะอาจจะคิดว่าจะเกาะชีวรหลวงพ่อไปด้วยก็สงสัยชีวรหลวงพ่อขาดเปล่าแล้วนะ ดึงไปด้วยไม่ได้และอย่างนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นให้ไปแก้ตัวซ ะ, ะลักษณะประการที่สองของคนพานคือนะอันแรกนะ่ะ ช, ช, ชอบพิดชั่วต่ําเป็นปกติอันที่สองชอบพูดชั่วต่ําเป็นปกติที่เรียกว่าพูดชั่วต่ําเป็นปกติเป็นไงก็คือการพูดสี่ประการมีลายหนึ่งบ้างละ่ะเออหนึ่งนะ ชอบพูดเท็จหรือพูดโกหกอชอบพูดเท็จชอบพูดโกหกนะวันไหนไม่ได้โกหกชาวบ้านลู้นท้องมันจะขึ้นตายเขาแหละเขาแหละหรือแม้ที่สุดบางคนเนี่ยหน้าตาก็ดีพูดก็เพราะแต่เจ้ากรรมจริงๆเชียวปากปรายัยน้ำใจเชือดคอพูดเพราะปากหวาน แต่ใจในคิดจะเชืดคอเราจะหลอดเวลาเลยก็จัดเป็นผู้เท็จเหมือนกันเพราะมันไม่ตรงกับความจริงปากกระจายมันไม่ตรงกันอันที่สองชอบพูดยุยงหรือชอบพูดสอเสียดเป็นไงล่ะเอาความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเอาความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ผลสุดท้ายเขาทะเลาะกันเขาแตกกันจนได้อืแม้นเรื่องที่พูดนั้นนะมันจะเป็นความจริงก็ตามเธอะ แต่มันจะทําให้คนแตกกันซะแล้วแล้วก็เอออย่าไปพูดมาเลยไม่เอาแต่ว่าคนผ่านชอบชอบได้นินทาเ้าหน่อยแล้วโอ้ยมันมันปากอันที่สามชอบพูดคำหยาบนะพูดคำหยาบก็มาอันที่สี่พูดเพ้อเจ้อชอบพูดเพ้อเจ้อนะพูดเพ้อเจ้อเนี่ยลักษณะพูดเพ้อเจ้อนี่ คือพูดง่ายๆอยากจะพูดแล้วก็พูดพูดพูดพูดมันไปจริงมัง่งโกหกมัางก็ว่ากันเรื่อยไปเรื่องขี่มูลาขี่ม้าแห้งเมื่อร้อยปีแล้วมันก็ยังขนเอามาพูดกันไม่เห็นมีนได้เกิดประโยชน์อะไรเหมือนใครเหมือนไอขี่เมานั่งล้อมโต๊ะกันกินเหล้าพอกินแล้วก็เล่าเรื่องกินเหล้าแล้วเล่าเรื่องยิ่งเล่าเรื่องยิ่งเปลืองเหล้า ม่ไปหัวขํายันสว่างไม่มีจริงเลยเพอเจอไปเรื่อยๆนะไปเอานิทานตัพ ป, ปะดีสิประดมมาเล่ากันมั่งอือเอาไปเรื่องผัวคนโน้นเมียคนนี้สะพายคนโน้นมานินทากันมั่งไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเชีไอ้ทีเรื่องของมันเขาจะวิจารณ์เขาว่าตัวมันเป็นยังไงให้ฟังเไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอืที่นี้เรื่อง ที่คนพาลเนี่ยชอบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยที่เห็นง่ายๆเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องพอไปได้ยินไอ้สี่เรื่องต่อไปนี้แล้วก็รีบหนีเถอะรู้ว่าจะไอ้เนี่ยคนพาลจะไปเข้าใกล้มันเรื่องที่เขาชอบเพ้อเจ้อมีอยู่สี่เรื่องอะไรมั้งหนึ่งชอบเผยโทษของคนอื่นอพูดง่ายนิทาชาวบ้านนั่นแหละชอบเผยโทษของคนอื่นแม้ไม่มีใครถามไม่มีใครถามหรอก เขามากระซิบจะแหละไอ้นั่นมันยังงั้นไอ้นี่มันยังงี้เข้ามากระซิบกระซาบชอบเผยโทษของคนอื่นแม้ไม่มีใครถามแล้วก็ถ้ามีใครถามขยายความแบบพิสดารยิ่ขึ้นไปอีกซ้มเติมทรงมาไปเลยนี่ลักษณะอันแรกของชอบพูดเพอเจอร์ของคนทานอันที่สองอ ไม่ชอบเผยความดีของคนอื่นนะทีแรกอ่ะชอบเผยความชั่วของเขาแม้ไม่มีใครถามอันที่สองไม่ชอบเผยความดีของคนอื่นแม้มีใครถามก็กลบเกลื่อนหรื อ, อ, อพูดอ้อมอ้อมแอมแอมแมันเป็นอย่างนี้ปิดความดีของคนอื่นซะ่ ความชั่วแล้วโคลนธนาเข้าเข้าไปมีนิดก็ขยายความไพิสดานยิ่งยิ่งขึ้นไปอันที่สามชอบอวดนะชอบอวดความดีของตนแม้ไม่มีใครถามไปทำความดีมาสักนิดหนึ่งให้น้ำเขากินนะ ให้น้ำแก่คน เ, เดินทางมาไปถ้วยนะแมบบ่คุยแท้ <c oughs> เป็นไงคุยฉันละใจบุญน้ำมีเ่เป็นโองๆเป็นคันรถขันรถฉันแจกเสะละทั่ว่ะเชียวปลาล่ะเคยให้กินน้ำติดก้นแก้วอยู่อยู่นอยเดียวครั้งเดียวล่ะชอบปวดความดีของตนเองแม้ไม่มีใครถามถ้าใครถามก็ขยายความให้พิสดารยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเขาแหละ รู้ว่าเจอนาละคนผ่านแล้วก็อันที่สี่อันที่สี่ไม่ยอมเผยโทษของตนเองแม้ถูกถามก็กบกลืนเตะลูกออกซะอย่างนั้นแหละไม่รู้ไม่ชี้อาจารย์ถามไม่รู้ไม่ช้ไปเลยกลบเกลือนส่งไปเลยนี่คือลักษณะของพูดเพ้อเจรอ ซึ่งคนพานชอบพูดกันทีนี้อันแรกนะชอบคิดชั่วต่ำเป็นปกติอันที่สองชอบพูดชั่วต่ำเป็นปกติอันที่สามชอบทำชั่วต่ำเป็นปกติชอบทำชั่วต่ำเป็น ป, ก ต, ต ป, นปกตินะมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งแล้วนะชอบฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สาม ชอบผิดลูกเมียเขาก็มีอยู่สามประการในกันตกลงถ้าจะกล่าวโดยสรุปลักษณะของคนพาลคือคิดชั่วนะคิดชั่วสามพูดชั่วสี่เป็นเจนะ็ดะทำชั่วอีกสามก็เป็นสิทั้งสิประการนี้ โบราณหรือทางธรรมะเรียกว่าอากุศลกรรมบท10ประการอากุศลกรรมบท10ประการอากุศลกรรมบท10ประการคือลักษณะคนทานจะมีลักษณะว่ามีอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยติดเป็นสันดานเลย แก้กันไม่ตกเจ้านี่นี่หมายถึงผ่านแท้ๆนี่เป็นอย่างนี้้ายส า, าสาวย้อนแล้วทำไมเป็นงี้ก็ย้อนกลับไปที่ว่าเออก็อมาจากใจของมันไงล่ะใจเป็นไงใจมันไม่ตั้งมั่นอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ก็มาถึงหัวข้อที่ห้าหัวข้อที่ห้าโทษของมันก่อนโทษของความเป็นผานเนี่ยไอ้การที่มี ไอ้ความคิดวิปริตไปคาพูดที่มันวิปริตไปการกระทาที่มันวิปริตไปเนี่ยมันมีโทษมันมีความเสียหายแก่ตัวของตัวเองอย่างไงมั้งนะแก่ตัวเจ้าคนพานเองเลยแะไม่ใช่แก่คนอื่นนะแก่ตัวมันเองเนี่ยเสียอย่างไงโทษของความเป็นพานเนี่ยที่เกิดแก่ตัวของมันเองเนี่ยอันที่หนึ่ง มันทำในตัวของมันเองนี่แหละมีวินิจฉัยผิดแล้วก็ก่อทุกข์ให้มันตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งชาตนะิทำให้วินิจฉัยของมันเนี่ยมันผิดเราก็ก่อทุกข์ให้กับตัวเองนะตลอดทั้งปีทั้งชาติอันที่สองอันที่สองทำลายประโยชน์ของตนเอง ทำลายประโยชน์ของตนเองทั้งชาตินี้หรือบางทีเราก็ใช้ทั้งโลกนี้โลกน้าประโยชน์ของตัวเองโลกนี้คืออะไรคือทำให้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้มัวแต่คิดไอ้เรื่องร้ายๆพูดไอ้เรื่องร้ายๆทำไอ้เรื่องร้ายๆผลสุดท้ายเลยตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานกับเขาไม่ได้สักที มีแต่หนี้มีแต่สินท่วมหัวไปแล้วไปอยู่ทํางานที่ไหนสามวันเจ็ดวันเขาก็ไล่ออกไม่ไล่ออกเขาก็เชิญออกหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครไล่ออกไม่มีใครเขาเชิญออกหรอกแต่ว่าไปอยู่ท่ามกลางคนดีเขามันแสลงแสลงความดีคนพาณิชา์มีลักษณะอย่างนั้นแสลงความดีเลยเลยอยู่ไม่ได้ แหมไอ้นั่นมันพูดเพราะนะกฟังแล้วมันลำคาญอ้าแล้วกันพูดเพราะเพราะฟังแล้วยังลำคาญเลยเออเขายิ้มให้หน่อยแม่นี่ยะแล้วทุกวันทุกวันอ้าวแล้วกันเขายิ้มก็ว่าเขาเยอะเขาพูดเพราะเพราะเขบอกว่าเขาเย้ยเลยอยู่ไม่ได้ชาตินี้ไม่ต้องตั้งเนื้อตั้งตัวกันอันที่สองประโยชน์ชาติหน้าก็เสียไปเป็นไงล่ะนะ คือประโยชน์ชาติหน้าก็เลยไม่ได้มีโอกาสสร้างสมบุญกุศลเอาไว้เผื่อชาติน้าแหละอันที่สามทำลายประโยชน์ของคนอื่นเขาด้วยเจ้าตัวพวกนี้อยู่ที่ไหนก็ทำความเดือดร้อนให้เขาที่นั่นแหละนะก็ดีกว่าทำลายประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยอันที่ีอันที่ทตีตัวเองก็เสียชื่อตัวเองก็เสียชื่อถูกนินทา อันที่ 5, ห้าไม่มีคนเขาจะนับถืออันที่หกนอกจากไม่นับถือแล้วเขาเกลียดชังเอาด้วยอันที่เจ็ดโบราณใช้คําว่าหมดสิริมงคลคนที่มันหมดสิริมงคลแล้วนี่แปลกจริงๆเลยนะหมดสิริมงคลหมดสง่าราศีคนประเภทนี้เป็นไงแปลกจริงๆเหตุร้ายทั้งหลาย จะไหลเข้ามาหาตัวฟังให้ดีนะคนที่ไม่มีมงคลเนี่ยคนที่หมดสิริเนี่ยหมดสง่าราศีมันหมดแล้วเนี่ยพอมันหมดอย่างนี้แล้วความร้ายทั้งหลายมันจะไหลเข้ามาหาตัวตั้งเป็นต้นว่าไอ้คนพาลทั้งหลายก็ชอบมาหามัน เราเป็นคนเลวเขาล่าไอเจ้าตัวเลวๆทั้งหลายแล้วมันก็อ๊ยมันอยู่ถึงไหนถึงไหนอุตส่าห์มาหาเราด้นด้านมาพันลี้นึกว่ามาหาใครมาหาเราด้นด้านมาม า, า, ามาหาเรามาหาเราแล้วไม่มาหาเป ล, าล่าคนเลวๆเน่ะแต่และคนมาหาเรานี้มีคดีติดตัวมาทั้งนั้นแหละพอมาถึงเราเข้าเรามม่สุมเขาไ็เนี่ยคดีต่างๆก็เลยเกิดขึ้นยังไม่พอคนหบทศรีมงคลแล้ว ไปอยู่ไหนเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องออยู่บ้านไหนบ้านนั้นอยู่ดีๆไฟก็ไหม้ขึ้นรถมีเพื่อนอาตมาอยู่คนหนึ่งนะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกันแปลกจริงๆเจ้าคนนี้อาตมาไปซื้อมีดต่อตาต่อตาต้นไม้เนี่ยซื้อมาใหม่ๆใชะให้ยืมไปอาตมายังไม่ได้ใช้มันเอายืมไป สักชั่วโมงกลับมามีดหักมันไปต่อตาต้นไม้อีท่าไหนกันมีดหักเพราะมีดต่อตาต้นไม้ใช้สำหรับกรีดเปลือกไม้เท่านั้นเปลือกไม้สดๆด้วยมันไปกรีดหักเอ้าก็ไม่ว่ากันให้ยืมจั ก, กรยานไปขี่ไปกลางทางโอ้ขี่เออเขายืมจั ก, กรยานไปเดี๋ยวนะจะไปกินช้าเออเอาสิมันขี่ไปกลางทางมันให้เจ้าก ร, รมจริงๆเลย ลอไอ้ยางระเบิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเอออะไรกันเนี่ยเอาก็ไม่ว่ามันก็ไม่เจอไปไปใช้ตั้งหลายปีก็วันนั้นเจอหน้าไปไหนมาก็ขึ้นไปอยู่ทั้งเชียงใหม่ไปทําอะไรมาบ้างไปเจอพักพวกไม่เจอไปเจอคนนั้นคนนั้นเออไปทําอะไรเข้าบ้างละ่ะแหมไปเจอคนนั้นอ่ะมันให้ช่วยอ่อ ช่วยขับแท็กเตอร์แปลกจริงๆเป็นไงขับไปได้ยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยยางแท็กเตอร์ระเบิดได้ก็เก่งนะมึงนะโทษแท็กเตอร์ใหม่ๆยางระเบิดได้เอาก็มันสิเสร็จแล้ววันนั้นวันเกิดอาจารย์สมัยนั้นอาตมาก็ยังยังมีเชื่อพานอยู่เยอะเหมือนกันแหละก็เลยขอควบมันไปได้เป็นไง วันเกิอดอาจารย์ก็ก็มาชวนอาตมาป่วันนี้วันเกิอดอาจารย์ไปไปเลี้ยงกันที่บ้านอาจารย์เถอะก็อา้าอาตมาก็เป็นเจ้ามือพาไปไปเลี้ยงกันที่บ้านอาจารย์พอเลี้ยงเสร็จแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ก็มีเชื้อพานอีกเหมือนกันเป็นไงล่ะกินเหล้าเดียวเดียวเยวมาพับของนั้นซะแล้วไอ้พวกเรายังเมายังไม่เมาดมีก็เลยชวนกันไปเที่ยวต่อ เจ้าเพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เข้ากรุงเทพนานแล้วช่วยพาไปที่บาร์เปิดใหม่นั่นทีเถะอะเอไปก็ไปพอไปถึงแล้วอ่ะอยากจะกินอะไรก็สั่งมาก่อนแล้วกันก็ น, นั่งกินนั่งดื่มกันอยู่สักเดียวหนึ่งก็มีพาร์ทเนอร์ที่ในบาร์เข้าหนีมาจากโต๊ะอื่น เขาก็มานั่งแหนอยู่ข้างไอ้เพื่อนอาตมาคนนั้นแหละ้มันก็ดีมันก็ไม่ว่าแล้วอยากนั่งก็นั่งไปมันก็ไม่ว่ามันก็ไม่ไล่น้ำซ้ำก็ชวนเข้ามากินซะอีกกินก็กินไปเราอาตมาเป็นเจ้ามือตอนนั้นก็ไม่ได้ห่วงพอกินเสร็จเรียบร้อยก็ตีหนึ่งก็จะกลับพอจะกลับก็ลุกขึ้นไปกลับกันเถอะพอลุกขึ้นเท่านั้นแหละเรื่องมาอีกแล้ว มีผู้ชายโต๊ะหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นที่พาร์ทเนอร์เขานั่งอยู่นั่นแหละแล้วเขาหนีมันน่ะโต๊ะนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาเขาก็บอกว่าอย่างนี้แม่เขานี่ไม่รู้เป็นยังไงนะคืนไหนไม่ได้เตะคนนอนไม่หลับอ้าวแล้วไงล่ะฮได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาวนะรีบออกดีกว่าอะใครจะว่าเสียเลี่ยมจะเสียอะไรก็ไม่อ้าวละมีเรื่องกันตามบาร์ตามคลับขาขี้หน้าเขารีบชวนเพื่อนออกมา เพื่อนเรามันก็ดีเหลือเกินแทนที่จะฟังเรามันลุกขึ้นค ว, ว้าเหล้าดื่มอกัอกอกัอกอักอักอเร้อใช่แล้วก็ประกาศใช่เขาก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันคืนไหนไม่โดนเตะก็ น, นอนไม่หลับเออเจ้าพระคุณเอ้ยวันนั้นตีกันยับเลย นี่เป็นอย่างนี้เพราะมันหมดสง่าราศีแล้วนอกจากตัวเขาเองเจ็บแล้วนะดึงอตมาเข้าไปเจ็บด้วยอีกเออให้มันได้กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เลยเชียคนไม่มีสง่าราศีแล้วคนหมดมงคลแล้วอย่าไปเข้าใกล้มันทุกเรื่องหละไหลมาหามันไหลมาอย่างนั้นแหละอันที่แปด โทษของความเป็นพานอันทแปดทาลายวงตระกูลทั้งตัวเองอันที่เกละโลกไปแล้วมีอบา ย, ยภูมิเป็นที่ไปอบา ย, ยภูมิเราพูดมาแล้วนะมีอยู่สี่ประการอบา ย, ยภูมิอะไรมั่งก็สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกที่เป็นคนพาณละโลกไปแล้วเนื่องจากความ คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นปกติไปสวรรค์เขาไม่ไหวหรอก